สัมผัสสยองเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ9้าปีก่อนตอนนั้นชนอยู่ชั้นมห้าชนเป็นเด็กต่างจังหวัดโตมาแบบบ้านเรื่องผีๆสางๆนี่ก็รับรู้มาตั้งแต่จำความได้ตามมักจะย้ำเสมอว่าเฮ้ยผีมันมีจริงอยู่นะเว้ยไม่เชื่ อ, อยาลบหลู่ ชนมักจะโดนเป่าหูบาแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตตาก็ขยันเล่าเรื่องผีที่เจอมากับตัวให้ฟังชนก็มักจะเก็บออกมาคิดแล้วก็กลัวมากเวลาเดินกลับบ้านตอนค่ำๆก็วิ่งอย่างเดียวไม่มีสโลไลส์ดื่มดำบรรยากาศยามค่ำคืนเหมือนกับคนอื่นเขาหรอกชนเชื่อว่าผีมีอยู่รอบๆตัวถ้าถามชนว่ากลัวผีขนาดไหน ชนตอบได้เลยว่ามากยายคงชนเจ็บอดอดแอดแอดยายชนตอนนั้นอายุ86ปียายมีโรคประจําตัวตามปราษาคนแก่แล้วก็ตามกรรมพันธุ์ด้วยซึ่งยายเป็นหลายโรคมากตาก็มองไม่ค่อยเห็นและยายยังหูตึงมากค่อนข้างไปทางหนวกพูดอะไรไม่ได้ยินยายจะมีเครื่องช่วยฟังอยู่ แต่ก็ไม่ได้ใช้จะชอบพูดแล้วใช้มือชี้สั่งเอาก่อนหน้าที่ยายชนจะเสียสองเดือนช่วงกลางวันป้าจะชอบมาเล่าให้แม่ฟังที่บ้านของชนว่าอาการของยายเริ่มแปลกไปเริ่มจะชอบทานของร้อนมากๆเค็มมากๆกินแบบร้อนลวกปากจนปากพองตักข้าวต้มใส่ถ้วยก็ใส่เกลือเป็นช้อนโต๊ะ ถ้าเป็นคนปกตินิไตถามหาแล้วและมันแปลกตรงที่ว่าเมื่อก่อนยายชนเป็นคนกินของที่ค่อนข้างหวานชอบกินห ว, นหวานๆกับข้าวต้องใส่น้ำตาลตลอดแถมยายยังเป็นเบาหวานอยู่ก่อนแล้วด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในโรคประจำตัวแต่มาคราวนี้แกกินเคียมมากซึ่งมันดูผิดปกติจากเดิม วันต่อมาความผิดปกติของยายก็เกิดขึ้นอีกยายมักจะบ่นว่าอยากต้มเครื่องในวัวซึ่งโดยปกติแล้วยายเป็นคนไม่กินไก่และยายไม่กินเนื้อวัวเพราะยายบอกว่าเหม็นขาาซึ่งเมื่อก่อนยายจะชอบกินขาหมูมากใส่น้ำจิ้มนิดหน่อยก็เพียงพอแล้วแต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนมาเป็นเครื่องในวัว ที่ตัวเองเกลียดแสนเกลียดยายเรียกร้องให้แม่ไปหามาให้แถมบังคับให้ทำอีกแล้วต้องทำเดี๋ยวนั้นตอนนั้นเลยเมนูอาหารแปลกๆที่ยายสั่งมักจะถูกทำขึ้นช่วงมื้อเย็นเสมอพอดวงอาทิตย์ตกดินที่บ้านก็เริ่มทานข้าวกันแต่ยายจะไม่ร่วมวงทานด้วยยายจะนั่งกินคนเดียว ด้านหลังที่พวกเรานั่งกินกันอีกทีหนึ่งวันที่สามคำพูดคำจาของยายก็เริ่มแปลกไปที่บ้านของยายชนจะเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงเป็นบ้านไม้ธรรมดาชาวบ้านทั่ ว, วไปตามต่างจังหวัดบริเวณบ้านชนจะอยู่กันแบบพี่น้องเพราะเป็นเครือญาติกันไม่ได้กั้นรัว้ว แล้วถ้าเดินออกไปหลังบ้านประมาณ300เมตรก็จะเป็นทุ่งนาของบรรดาญาติญาติรวมทั้งของที่บ้านชนด้วยชนจำได้แม่นเลยว่าตอนนั้นใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วที่บ้านก็เริ่มเอิดใจกันบ้างแล้วว่ายายเริ่มผิดปกติดูแปลกแปลกไม่ใช่เรื่องกินแต่เป็นคำพูดคำจา ที่มักจะมีคำประหลาดประหลาดออกมาแล้วชอบพึมพำอยู่คนเดียวพูดอะไรฟังไม่ได้สับเลยสักอย่างขนาดแม่ยังฟังไม่ออกเลยส่วนตาที่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วก็พูดออกตัวก่อนเลยว่าไม่ใช่แม่พวกมึงร้อกใครที่ไหนก็ไม่รู้มาใส่ร่างอยู่เมื่อได้ยินดังนั้นป้ากับแม่และบรรดาลุงก็นิ่งเงียบตายังบอกอีกว่า กลางวันนะใช่แต่กลางคืนน่ะกูว่าไม่ใช่คนอื่นๆจะคิดยังไงไม่รู้แต่ชนเชื่อที่ตาพูดวันหนึ่งลุงใบซึ่งแกอยู่คางบ้านได้ไปเกี่ยวข้าวในนาแม่กับป้าของชนก็ไม่รู้พึ่งมารู้ตอนเกียบค่าที่ลุงใบนั้นมาหาที่บ้านแล้วมาเล่าเรื่องราคาข้าวให้ฟังวันเดียวกันนั้นเอง หลังจะคุยกับลุงใบเสร็จแม่ก็มานั่งคุยกับยายช่วงใกล้คำ่ำเพราะแม่เริ่มเอกใจในสิ่งที่ตาบอกแม่เลยลองถามยายว่าจะกินอะไรดีต้มเครื่องในไหมซึ่งแม่พูดเบามากเหมือนคุยกับคนปกติทั่วไปแต่ยายซึ่งหูหนวกกลับได้ยินและตอบกลับมาว่าไม่รู้วันนี้คันไปทั้งตัวเลย ลัดป่าข้าวไอใบามาคันไปทั้งตัวแล้วเมื่อยายพูดจบแม่ก็ตกใจมากทำไมยายถึงได้ยินที่แม่พูดแล้วยายไปเดินลัดป่าข้าวมาตอนไหนแถมยังรู้อีกว่าลุงใบแกเกี่ยวข้าวด้วยซึ่งโดยปกติแล้วยายจะอยู่แต่บ้านทั้งวันแล้ววันนี้ก็เช่นกันแกไม่ได้ไปไหนเลย ลุงก็นอนเฝ้าอยู่ด้วยตอนนี้แม่เองก็เริ่มกลัวแต่ก็พยายามใจดีสู้เสือแล้วแม่ก็ถามต่อไปอีกว่าถามหน่อยสิเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไรแล้วแล้วยายก็ตอบว่าฮ่า <c oughs> <c oughs> กูมาจากดอนม่วงอายุร้อยกว่าปีแล้วกูอยู่มานานแล้วไม่ต้องดูหรอกดอนม่วง เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างกันดานมากอยู่ไกลจากบ้านชนมากด้วยตอนนั้นแม่ช็อกไปเลยเพราะคุยอยู่กับยายแค่สองคนบนเรือนป้าก็ลงไปดูตาอาบน้ำเพราะต้องพาขึ้นบ้านก่อนที่จะมืดส่วนชนนั่งทําการบ้านอยู่ไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเลยคืนนั้นยายก็เหมือนเดิมชอบให้ต้มข้าวต้มกินกลางคืน และกินเค็มเหมือนเดิมแล้ววันนั้นชนก็ต้องไปนอนเฝ้ายายด้วยอีกคนเรียกว่าวันนั้นคนมาเฝ้ายายเยอะมากมีลุงผู้ชายสองคนตาแม่ชนแล้วก็ตาที่นอนอยู่ในมุงของตัวเองโดยไม่สนใจใครที่บ้านยายชนจะมีเสากลางบ้านมีทีวีอยู่กลางบ้านยายจะมีมุง และที่นอนของเขาอยู่ริมหน้าต่างแล้วก็มุงของแม่กับป้าที่นอนติดกับยายกลางคืนเวลาที่ยายเรียกหาให้ใครต้มข้าวต้มให้แกกินแกจะให้เปิดไฟตรงหัวมุมที่แกนอนเท่านั้นแล้วยายจะเลือกคนที่ยอมให้เข้ามาในมุงโดยใช้วิธีคลำหัวและยายจะเลือกเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น หากคล้ำและผมสั้นเป็นผู้ชายจะถูกไล่ออกไปจากมุงหลังจากที่ทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วเวลาประมาณตีสองชนก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงเหมือนอะไรลากอยู่บนพื้นบ้านมันค่อยๆลากอย่างช้าๆชนแปลกใจจึงลืมตามมามองว่ามันคือเสียงอะไรในความมืดนั้นชนก็เห็นบางสิ่ง ซึ่งมีรูปร่างลักษณะเหมือนคนเมื่อมองเพ่งดูแล้วปรากฏว่าสิ่งนั้นมันคือยายกุงชนเองซึ่งกําลังนั่งเบาะรองกลนแล้วค่อยๆลากกระเถิบเข้ามาเรื่อยๆจนมาอยู่ที่ปลายมุ้งของชนลุงที่นอนอยู่ข้างๆก็นอนกลนหลับสนิทมันไม่ทำให้ชนอุ่นใจขึ้นเลยแสงจากดวงจันทร์ที่สัตว์ส่องลอดหน้าต่าง ก็กระทบล่างของยายเป็นเงาดำสะท้อนบนพื้นบ้านยิ่งทำให้ชนหวาดกลัวมากชนกรีดลั่นบ้านตะโกนหาแม่แล้วทุกคนในบ้านก็ตื่นกันหมดสักพักไฟในบ้านก็เปิดสว่างขึ้นแล้วชนก็มองเห็นยายอยู่ที่ปลายมุ้งของชนจริงๆจากนั้นแม่ก็พายาย กลับเข้าไปนอนในมุ้งของยายเหมือนเดิมแต่ยายกลับพูดหยอกล้อเล่นว่าฮีนะ่ะมันไม่มีจริงหรอก่าแล้วคืนนั้นกว่าชนจะหลับตานอนลงได้ก็เกือบเช้าแล้ววันรุ่งขึ้นชนก็ไปเรียนในสภาพที่แย่มากเพราะแทบจะไม่ได้นอนคืนต่อมาขณะที่ทุกคนกำลังจะนอน ยายก็ให้เปิดไฟที่หัวเตียงเหมือนเดิมแล้วเรียกแม่ชนเข้าไปหาในมุงแล้วอยู่ๆ ย, ยายก็ขอดูนมของแม่ชนแม่ชนโมโหมากก็หลุดด่าไปว่าถ้าล่งชิดเป๋งอีผีบ้าแล้วยายก็หัวเราะลัน่นแถมยังบอกอีกว่าผีไม่มีจริงรัก <laughs> ผ่านคืนนั้นไปคืนต่อมา ยายก็สะกิดแม่ชนผ่านมุงเรียกให้เข้าไปหาเหมือนเดิมพอแม่เข้าไปในมุงยายก็หันมาอ้าปาแลบลิ้นใส่แม่แม่ชนเมื่อได้เห็นดังนั้นก็กรีดรันแล้วเขย่าป้าที่นอนอยู่ข้างๆให้ตื่นขึ้นมาดูจากนั้นยายก็หัวเราะเสียงดังเหมือนสะใจมากแม่บอกว่ายายหลอกเหมือนผีเลย ลิ้นยายยาวมากและปากพองเพราะกินแต่ของร้อนๆลวกปากจนแดงไปหมดพวกเราไม่รู้สาเหตุว่าทำไมยายถึงเป็นแบบนี้และก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะตอนเช้ายายแกก็ดูปกติดีทุกอย่างเป็นยายที่น่ารักพูดจาเพราะคุยกันเป็นปกติแต่พอจะค่าเท่านั้นแหละ ก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งในที่นอนของยายใต้หมอนจะมีของอยู่ซึ่งคนรู้จักเอามาให้มีบรรดาใบหนาดเล็บเสือหนังเสือมีดและสิ่งของมีคมอะไรไม่รู้อีกมากมายซ่อนไว้ใต้หมอนไม่ให้ยายรู้และมันทำให้เวลากลางคืนยายไม่เคยนอนเลย ยังมากก็งีบหลับอยู่ปลายที่นอนโดยไม่ได้ทิ้งตัวลงนอนเหมือนปกติแต่เป็นการฟุบหลับทั้งทั้งที่ตัวเองก็นั่งอยู่แท้ๆพอเวลากลางวันแม่เจ้าของพวกนี้ออกจากใต้หมอนก็จะเห็นยายนอนเป็นปกติตอนกลางวันยายเคยพูดกับตาว่ามีใครก็ไม่รู้มาเต็มบ้านไปหมด ใส่โจงกระเบนสีแดงมาชวนให้ยายไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นยายก็ไม่ปกติเหมือนเดิมพอดีก็ดีจนหน้าใจหายพอร้ายก็ร้ายจนน่ากลัวแต่บางครั้งก็เป็นปกติวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ประมาณสองเดือนจนมาถึงห้าทุ่มของวันหนึ่งชนก็ได้ยินเสียงนกแสกร้องบินผ่านบ้านของชนไป ซึ่งตอนนั้นยายก็เริ่มมีอาการหายใจไม่ออกแล้วทุกคนตื่นกระหนกพยายามช่วยเหลือแต่แล้วไม่กี่นาทีต่อมายายชนก็จากไปทุกคนไม่ว่าคนไหนที่ว่าเข้มแข็งมากขนาดไหนต่างก็ร้องไห้โฮกันหมดทั้งบ้านหลังจากที่ชนร้องไห้จนน้าตาเริ่มหยุดไหลชนก็ลองไปถามคนอื่นว่า ตอนนั้นได้ยินเสียงนกแสกไหมทุกคนที่ชนถามต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้ยินเลยทั้งทั้งที่ตอนนั้นทุกคนก็ตื่นอยู่ไม่ได้นอนหลับชนเตรียมใจตั้แต่ได้ยินเสียงนกแสกแล้วเพราะชนได้ยินเสียงนี้ทีไรไม่เคยเลยสักครั้งที่จะไม่ได้เสียน้ำตาจนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมยายคุมชนถึงเป็นแบบนั้นสมัมผัสสยอง